แล้วก็เจริญธรรมๆเราก็มาคุยเรื่องที่ที่บ้านหลายๆคนพูดกันมากแล้วก็พูดกันย้ำอยู่ ทำอย่างนี้แล้วจะมีสติทำอย่างนี้แล้วจะ ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วยกเปรียบเทียบก็คือมั้ยครับเอ่อการนะเฝ้าประตูเมืองระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกถึง นะนี่คือการระลึกรักนึกถึงรักระลึกนึกถึงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นการระลึกนึกถึงตรงเนี้ยก็คือ และตามอะไรเนาะมาระลึกถึงสิ่งที่ถูกต้องระลึก น่ะระลึกถึงเรื่องศีลจาคะปัญญาศรัทธาพวกนี้ก็เป็นจาคะอนุสติก็มีเทวตาอนุสติก็มีนี้ นะเค้าไปทําบุญบริจาคทางที่ไหนเค้าเขียนติดบอร์ดที่บ้านเลย นะระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้นะแน่นี้ วางไปทีนี้อย่างเวลาที่เราพูดเน้นย้ําเสมอเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการและท่านมาร์คได้พูดถึงเหมือนกัน อันนั้นน่ะคืออานาปานสติละนะสติคือการระลึกได้นะคือเรามาระลึกได้เออฉันต้องรู้ลมหายใจละแล้ว เรเรานึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจนี่คือสติในที่เราได้ทําความเข้าใจไป มีสติอยู่ในลมหายใจเหมือนกันนะซ้ําอีกครั้งๆนะถ้าเราระลึกถึงมีลมหายใจเป็นต้นหรือมีคําความดีของบุรุษชาติเป็นต้นถ้า นะอาการรู้ตรงเนี้ยก็คือสติเหมือนกันอย่างเช่นว่าเรามารู้ลมไปทีนี้ไอ้การที่เรามารู้เนี่ยนะการรู้เนี่ยมันไม่ เทคโนโลยีก็ดีฉากก็งดงามดนตรีก็ไพเราะเรารู้แล้วเราไหลไปตามอันอย่างยามตามเข้าไป เนี่ยบัตรเดี๋ยวนี้แหม่ทันสมัยเหลือเกินเป็นลักษณะบัตรแบบ อย่างเรารู้ลมหายใจมนุษย์บอกว่าฉันไม่รู้ลมหายใจก็ได้ฉันจะไปเอ่ออยู่กับอีรี่บอทตามปกติรู้ว่าทํางานอยู่รู้ว่าพูดอยู่หรือว่าคิดอยู่หรือว่านึกอยู่รู้ว่าดูหนังอยู่ ความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจเกิดขึ้นนะเราก็รู้เราโกรธ น่ะไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาไม่ได้โกรธกันฟัดกันรู้อยู่เนี่ยรู้อยู่เนี่ยหมายถึงทําความเข้าใจ นอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือทําอะไรบทใดๆอยู่เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ เราทำความรู้อยู่ได้อย่างคนที่รู้ลมหายใจว่าเนื้อ หรือกี่ตารางมิลลิเมตรคนตัวเล็กๆหน่อยจมูกเล็กๆอ่ะนะกี่ตารางมิลลิเมตรนะหรือว่ามันทํามุมกี่ เพราะถ้าลมไปสัมผัสผิวหนังส่วนอื่นในโพรงจมูกเป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกได้เหมือนกันนะมันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกได้อาจจะอธิบายไม่ได้ว่าตำแหน่งนี้ นั่งอยู่ก็เหมือนกันนะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่แล้วก็ไม่ให้จิตว่าเอ๊ะฉันนั่งท่านี้เอ๊ะทําไมตรงนี้ปวดเอ๊ะฉันถึงเรื่องอื่น ไหนเหลืออยู่แต่เอรีบทของเราอย่างเดียวไหนถ้าเราทําไปอย่างนี้อย่างนี้ อ่าไปอาจจะไปทํานู่นทํานี่พูดคุยสิ่งต่าง มันเป็นประโยชน์กับสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนนะการปฏิบัติธรรมะเป็นธรรมชาติไหนทําอยู่บ่อยๆไหนอย่างไหนช่างนะทําอยู่เรื่อย ทำบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆมันดีขึ้น